ใจความว่าสมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาพเจ้าทรงพระมหากรุณาตรธิษฐนานพระธรรมจักรประวัตนาสูตรนั้นคือเทศนาพระโพธิปัจกิยธรรมและเทศนาพระปฏิจจสมุขบาทธรรมและเทศนาพระจตุราริยสัจธรรมซึ่งมีอัฏฐอันทราบตลอดซึ่งกันเกี่ยวพันกันมีครุวนาดุดดุมเกวียนและกรรมเกวียนกงเกวียน อย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าพระธรรมจักรตังปิทุวิธังประการหนึ่งพระธรรมจักรนั้นมีสองประการคือปฏิเวทยานธรรมจักรนั้นประการหนึ่งเทศนายานธรรมจักรนั้นประการหนึ่งเป็นสองประการด้วยกันปฏิเวทยานธรรมจักรนั้นได้แก่พระยานอันต ร, รัสรู้ซึ่งพระจัตุราริยสัต มีปริวัติสมีอาการส2องค่าเสียซึ่งค่าศึกคือกิเลสเป็นสมุดเฉดพระหารขาดจากสันดานแห่งพระองค์แล้วและนำมาซึ่งพระอริยผลครั้นเมื่อเสด็จทรงนั่งเหนืออัปราชิตตบาลังณภายใต้ร่มไม้พระมหาโพธิพฤกษมูลและเทศนายานธรรมจากนั้นได้แก่พระยานอันอุปรมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ตรัสเทศนาพระจตุราริยศาสนี้มีปริวัติสมีอาการ12อย่างสาวกทั้งหลายมีพระอัญญากลทัญญาเทระเป็นประธานให้ได้สำเร็จพระอริยมรรคพระอริยผลตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉดประหารและพระธรรมจักรทั้งสองประการมีในดังพันนานามาชนีประสงค์ยกขึ้นว่าในที่นี้แต่เทศนายานธรรมจักร ติปริวัตตังท ว, วารทศาการังและข้อซึ่งว่าพระองค์ตรัสเทศนาพระจตุราริยสัตมีปริวัตสามมีอาการสองนั้นเป็นประการใดมีคำวิสัชนาว่าปริวัตสามประการนั้นได้แก่ปัญญาสามประการคือสัจจยานประการหนึ่งกิจจยานประการหนึ่งกัตตยานประการหนึ่ง สัจญาณ น, นั้นคือพระปรีชาอันตรัสรู้ซึ่งพระจตุราริยสัตด้วยพระองค์อาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์แห่งพระองค์นั้นมิได้กิจญาณ น, นั้นคือพระปรีชาอันแทงตลอดไปในจตุสัจกิจตรัสรู้แจ้งว่าทุกขังเปรินเยยยังทุกขสัตตนี้สมควรที่พระอริยบุคคล จะพึงกําหนดกฎหมายเอาเป็นอารมณ์ทุกขสมุทโยปหาตัพโพทุกขนิโรโธสัจจิกาตัพโพทุกขสมุทัยอริยสัจนี้สมควรที่พระอริยะบุคคลจะพึงมาลาเสียนิโรธสัจคือพระนิพพานนั้นสมควรที่พระอริยะบุคคลจะพึงกระทําให้แจ้งในขันธสันดาน ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาภาเวตัพามักขสัตอันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งดับทุกนั้นสมควรที่พระอริยบุคคลจะพึงเจริญไว้ในสันดานพระปรีชาอันรู้ในกิจอันพึงกระทำในพระจตุราริยสัต ท, ทั้งสี่ดุดพณ น, นามาชนิแลได้ชื่อว่ากิจยาน และกัตายานั้นคือพระปรีชาอันรู้แจ้งในจตุสัจจกิจอันกระทำสำเร็จแล้วแล้วรู้ว่าทุกขังปริญญาตังทุกขศย์นี้อัตมาได้กำหนดเอาเป็นอารมณ์อยู่แล้วทุกขาสมุทยโยปหีโนสมุทัยศา์คือตัณหานี้อัตมาก็สละละเสได้าขาดจากสันดานแล้ว ทุกขานิโรโธสัจฉิโกโตนิโรทสัจคือพระนิพพานธรรมนั้นอัตมาก็กระทาให้ประจักษ์แจ้งในสันดานแล้วทุกขานิโรทคามิหนีปฏิปทาพาวิตามัคคสัตมันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งดับทุกนั้นอัตมาก็ได้เจริญบริบูรณ์อยู่แล้วปัญญาอันรู้แจ้งเห็นแจ้ง รู้แท้เห็นแท้ว่ากิจในพระจตุราริยศัสตร์นั้นได้กระทำแล้วเสร็จทุกสิ่งทุกอันดุจพรนานามาชนิแลได้ชื่อว่ากตายานสัจญานกิจจยานญาณทั้งสามประการนี้แหละจัดเป็นปริวัตรสามประการและอากาศสิบสองประการนั้นถ้าจะใคร่รู้ ให้ตั้งอริยสัตว์ทั้งสลงเมื่อตั้งอริยสัตว์ทั้งสี่ลงแล้วจึงเอาญาณทั้ง3าคือสัจจญยานกิจจยานกตายา น, ยานมาคูณ ล, ลงส3สามหนจึงเป็นอาการ12ก็มีด้วยประการเชนนี้หมายเหตุคืออริยสัตว์มีสข้อแต่ละข้อมีสมยานจึงรวมกันเป็น12นะครับ เอตาทิสายานังพระปรีชายานอันประกอบด้วยปริวัติสามและอาการสิบสองเห็นปานชนีได้ชื่อว่าพระธรรมจักรด้วยอัตถาว่าผัดผันห้ามเสียซึ่งค่าสึกคือกิเลสล้ำเลิศประเสริฐกว่าวัชิราวุธแห่งสมเด็จอมรินทราธิราชหรือพระอินอันมีอนุภาพมากวัชิราวุธนั้นถ้าสมเด็จอมรินทราธิราช ทรงพระพิโรธแล้วทิ้งไปในอากาศฝนจะแล้งไปได้เจ็ดปีถ้าทิ้งไปในแผ่นพระสุทธาดลดอกไม้และกอหญ้าเครือเขาเทารดาชาติทั้งปวงก็จะชิบหายมิได้งอกเลยช้านานถึงส2บสองปีถ้าทิ้งไปในท้องพระมหาสมุทรน้ำในพระมหาสมุทรก็จะแห้งเหือดไปถ้าทิ้งในยอดเขาพระสุเมน พระสูมเมนก็จะแตกตลอดถึงอโทภาคด์อำนาจจากแก้ววชิราวุธแห่งสมเด็จอมรินทราธิราชเรียวแรงกล้าหานถึงเพียงนี้ก็มีอาจจะสังหารกิเลสธรรมทั้งปวงให้ย่อยยับไปได้เหตุฉนี้จึงว่าพระธรรมจากนี้ประเสริฐกว่าวชิราวุธแห่งสมเด็จอมรินทราธิราชประวัติเตยจะพักวตาธรรมจักเก ในเมื่อพระธรรมเทศนาพระธรรมจักกับประวัตนสูตรอันสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคพระองค์ตรัสเทศนาจบลงในครั้งนั้นแผ่นปัตตภีในโลกธาตุก็กำปนาหวัดวันไหวป่วนปันมีครุวนาดุดจักหีบน้ำมันและยนต์หีบอ้อยอันบุคคลผัดผันพระมหาสมุรก็บันลือลั่นเสียงคลื่นซัดอยู่เกรงคลืน่น เขาพระสูเมนก็โอนอ่อนน้อมค้อมดุดดังว่าจะก้มสิริโรอุตมงน้อมถวายอภิวาทวันทธาเสียงสนั่นครั่นื้นตลอดถึงพรหมโลกแล้วก็โอภาสว่างกระจ่างไปในอนันตโล ก, กธาตุลวงลบกลบเสียซึ่งรัศมีแห่งเทพบุตรและเทพพยาดาอินพรหมทั้งปวงมหาสัจรันก็บังเกิดมากกว่ามากเป็นเอเนกอนันต ครั้งนั้นพรมทั้งหลาย18โกรมีพระอัญญากลธัญญาเทระเป็นประธานก็ได้สําเร็จแก่พระอริยมักรอริยผลเป็นพระอริยบุคคลนั้นวิเศษในขณะเมื่อจบพระสัท ธ, ธรรมเทศนาและเทพ ย, ายดาอื่นนอกจากพรม18โกรนั้นได้สําเร็จพระอาริยมักรอริยผลเป็นอริยะบุคคลในพระศาสนามากกว่ามากจะนับจะขนานนามิได้ ในขณะเมื่อจบพระสัท ธ, ธรรมเทศนาพระธรรมจักกับประวัตนสูตรขององค์สมเด็จพระมหากรุณาที่คุณเจ้านั้นพควาในความว่าเมื่อองค์สมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาพทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาซึ่งพระธรรมจักกับประวัตนาสูตรจบลงแล้วปัญจวัคคยาภิขุพระปัญจวัคคีพิขุทั้งลายห้า ก็มีจิตชื่นชมยินดีซึ่งพระพุทธภาษิตแห่งสมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาคเจ้านั้นอิมาสมินจะปนเวยากรณสมิงในเมื่อพระสูตรเวยากรณภาษิตนี้อันองค์สมเด็จพระพุ้ทรงสวัสดิภาคทรงตรัสเทศนานั้นธรรมจากขุงพระโสดาปฏิมักอันปราศจากทุลีคือราคา และปราะศะจากมนทินคืออกุศลธรรมก็บังเกิดขึ้นแก่พระผู้เป็นเจ้าโกนทันยาเทระผู้มีอายุอย่างกินจีสมุทยาธรรมมังอกุศลธรรมอันใดอันหนึ่งอันมีสภาวะให้บังเกิดด้วยดีตั้งธรรมมังอกุศลธรรมทั้งปวงนั้นก็มีสภาวะเป็นนิโรธธรรมดับโดยหาเศษมิได้ ในเมื่อพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรสมเด็จพระพุ้ทรงพระภาคเจ้าทรงพระมหากรุณาหากให้ประพฤติเป็นไปด้วยประการชนีภูมิมาเทวาเทพพญดาทั้งหลายอันชื่อว่าภูมิมาเทพพญดานั้นครั้นได้สดับแล้วก็ ย, ยังสับสําเนียงเสียงร้องเป่าประกาศให้ได้ยินขึ้นไปดังนี้ว่าเอตังธรรมจักรกัง อันว่าพระธรรมจาร ก, กับประวัตนสูตรอันประเสริฐหาสิ่งจะเสมอมิได้นี้อันสมณะและพรามเทพยดาและมารพรมพวกใดพวกหนึ่งในโลกจะสำแดงมิได้นั้นพระพุทธองค์เจ้าหากมาให้ประพฤติเป็นไปแล้วในราวปาอิสิ ป, ปตนะมรุกทัยวันใกล้กันกับพระนครพราราณสีนักการละบัตินี้ภู ม, มนินางเทวานางสัตว์ทางสุตตวา จ่ตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงละถึงอิติหิทังอายะสมโตโกลทญญันยสะัญยากโกลทันโยตเววะนามังอโหสีติในการเมื่อภูมิมะเทพพ ย, ยดาทั้งหลายยังสับสําเนียงเสียงอุโฆษนาการ ให้ได้ยินขึ้นไปดุจในที่กล่าวมาแล้วนั้นจาตุมหาราชิกาฝ่ายเทพพ ย, ยดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาเทวโลกนั้นครั้นได้สดัตบุตรสําเนียงอุโฆษนาการแห่งภูมิมเทพพ ย, ยดาทั้งหลายแล้วก็ยังสําเนียงเสียงประกาศให้ได้ยินต่อขึ้นไปถึงเทพพ ย, ยดาในชั้นดาวดึงเทพพ ย, ยดาในชั้นดาวดึง ก็ประกาศให้ได้ยินขึ้นไปถึงเทพพญดาในชั้นยามาชั้นยามาก็ประกาศต่อขึ้นไปถึงชั้นดุสิตตกว่าร้องประกาศสำเนียงให้ได้ยินต่อๆกันขึ้นไปโดยนิยมดังนี้ตราบเท่าตลอดขึ้นไปจนถึงอากานิ tha พัควคพรมดังนี้ว่าเอตังธรรมจักกังอันว่าพระธรรมจักกับปวัตนสูตรอันประเสรศิฐหาสิ่งอื่นจะประเสริฐกว่ามิได้ อันสมนะและพราหมณ์เทพยดาและมารพรมพวกใดพวกหนึ่งในโลกจะยังพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรอันประเสริฐนั้นให้เป็นไปไมิได้และสมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาพเจ้าพระองค์มาทําพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรอันประเสริฐนั้นให้ประวัตนาการประพฤติเป็นไปได้ในป่าอิศปฒนามฤุกทัทยวันใกล้กับพระนครพระราณสีนั้นแล้ว ตกว่าเสียงเท พ, พ ย, ยดาทั้งหลายร้องเปล่ากันด้วยสับสําเนียงด้วยประการชนีสัทโธอภุฆาจฉิและสําเนียงสรนเสริญสาธุการก็เฟื่องฟุ้งตลอดขึ้นไปแต่ใต้ล่ายาวะพรหมโลกาจนถึงอากานิถพะพควพรหมประดมดังเป็นอันหนึ่งอันเดียวในขณะหนึ่งครู่หนึ่งนั้นด้วยประการชนี อันจะทัศสหสีโลกธาตุอันหนึ่งโลกธาตุนี้หากกมปนาการปวนปั่นวันไหวไปในเบื้องบนและเบื้องต่ําสัมมาปเวทีวันไหวเป็นในที่สานุธิตทั้งปวงแสงสว่างโอภาสนาการอันยิ่งก็บังเกิดปรากฏทั่วโลกธาตุจะนับจะประมาณมิได้อติกรรมเมวะ ลวงลบ ก, กลบเสียซึ่งเทวานุภาพแห่งเทพพ ย, ยดาทั้งหลายในโลกอัทโขพัควาลำดับนั้นองค์สมเด็จพระู้ทรงพระภาคพระองค์จึงทรงพระบันลือซึ่งพระพุทธสิงหนาฏเป็นอุทานวาจาวา่าอัญญาสิวัตโภโกนทันโยอัญญาสิวัตโภโกทันโยดังตถาคตสรรเสริญชมดูราณนะท่านทั้งหลายผู้เจริญ สัมแดงโกนธัญโยพิขุและตรัสรู้พระโลกุตระธรรมแล้วดังนี้อิทังพระควะโตอุทานังและพระบรมพุทธอุทานวาจาของสมเด็จพระพุทธองค์เป็นนามกรของพระผู้เป็นเจ้าโกนธัญญาเทระผู้มีอายุก็มีนามปรากฏชื่อว่าพระัญญาโกนธัญญาเทระจำเดิมแต่นั้นมาด้วยประการเชนนี้แท้จริง วิสัชนามาในพระธรรมจักกับประวัตนาสูตรก็เสร็จเนื้อความลงแต่เพียงนี้